ถ้าสามีเจ้าชู้จะตกลงขอมีอะไรกับคนอื่นบ้างได้ไหมถามถ้าผู้หญิงมีสามีเจ้าชู้และตัวผู้หญิงเองก็ทั้งเหงาทั้งเศร้าจึงตกลงกับสามีว่าจะขอมีอะไรกับชายอื่นบ้างซึ่งสามีก็ยินยอมตามนั้นเช่นนี้ผู้หญิงจะเป็นบาปหรือไม่ตอบ ถ้าเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างสามีและภรรยาก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสินข้อกาเมรครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้รอดพ้นจากความหมุนมองไปได้เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ถูกฝากมนทินไว้กับกายใจทางที่ดีขอให้คุณพิจารณาเรื่องความมัวมองทางใจให้มากกว่าเรื่องผิดเรื่องถูกจะหญิงหรือชายก็ตาม หากประพฤติตนไปในการแบบไม่มีเจ้าของแน่นอนก็มักแส่สายออกอ่าวการมอันมืดมนยิ่งยิ่งขึ้นเพราะคนเราเมื่อลดความยับยั้งชั่งใจทางกามลงความละอายก็จะลดลงเป็นเงาตามตัวเมื่อความละอายทางกามน้อยความละอายต่อ บ, บาปด้านอื่นๆก็จะถูกฉุดร่วงพลอยพอยไปทีละตัวสองตัวตามไปด้วย สังคมเดี๋ยวนี้น่าอึดอัดครับบางทีอยากอยากก็ยังมีอะไรมีเหตุผลให้อยากทนฝืนอยู่กันต่อผมขอแนะนำอย่างนี้ว่าคนที่เขาเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ น, นั้นเริ่มจากความคิดแน่วแน่ประเภทยอมตายดีกว่าผิดศีลยอมเศร้าเหงาดีกว่ามีมนตดินทางใจครับหาทางออกที่เป็นแสงสว่างเถอะอย่าเลือกทางออกที่สำเนียกได้แต่ก้าวแรก ว่ามีกลิ่นควันไฟรออยู่เลย